เมื่อวานนี้มีหลายคนนะได้เฮกันที่ได้เฮเพราะว่าลอตเตอรี่ออกนะมีคนหนึ่งเฉพาะอรางวัลที่ได้จากการซื้อเลขท้ายสองตัวนี้ได้เป็นล้านนะเพราะก็ซื้อห้าร้อยใบซื้อไอซื้อเลขเดียวกันนั่นแหละนะสองสองเนี่ยห้500าร้อยใบได้เป็นล้านล้านกว่านะล้านห้ามัง้งอีก อีกบางคนก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนคงหน้ามุ่ยนะเพราะว่าที่แทงไปไม่ถูกสักตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันวันมรณาภาพของหลวงพ่ออายุของหลวงพ่อบรรษาหลวงพ่อผิดหมดนะหลายคนอาจจะเสียใจว่าหลวงพ่อนะทำไมไม่ไม่ปลดลูกเลยนะนะไปทั้งทีนี่ไม่ปลดลูกให้ได้ถูกสักบ้าง อย่าไปเสียใจเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากหลวงพ่อเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่ารางวัลจากเลขท้ายนะรางวัลจากลอตเตอรี่เยอะนะสิ่งที่เราได้จากหลวงพ่อคือคําสอนที่มุ่งไปสู่ความพ้นทุกขนะ์อันเนี้ยมันมีค่าที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คนถูกลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่ง อย่าว่าแต่ใบเดียวเลยแม้กระทั่งสิบใบที่ลงเอยด้วยความทุกข์ก็เยอะเพราะว่าเงินที่ได้มามันกลายเป็นทุกขลาบอย่างเมื่อสิบปีที่แล้วก็มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งได้ ล, ะตะลอตเตอรี่วันที่หนึ่งยี่สิบล้านบาทซื้อหลายใบยก็คิดว่าชีวิตน่าจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าแกก็ยากจนมีแค่รถกระบะคันเดียว นะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐแต่ว่าปรากว่าผ่านไปอีกหนึ่งเดือนก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกเหมือนกันแต่คราวนี้ขึ้นเพราะว่าแกค่าตัวตา ย, ยกินน้ํายาล้างห้องน้ําแต่ว่าโชคดีรอดมาได้มีลูกสาวช่วยไปทันเพราะว่าแกเครียดมากคนมารุมถึงแกตอนที่แกจนก็ไม่มีใครสนใจแต่พอแกรวยนี่มา อ้างบุญคุณอ้างสายเลือดเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแกก็ให้นะแต่ว่าคนที่ได้ก็ยังไม่พอใจได้พันก็คิดว่าตัวเองน่าจะได้มื่นได้หมื่นก็คิดว่าตัวเองน่าจะได้แสนเพราะเคยช่วยโน้นช่วยนี้เอาไว้เมื่อสิบปีย0สิบปีที่แล้วบางอะไรทำนองนั้นบางคนก็ขู่มาฆ่าแกฆ่าลูกแกด้วยโทรมาขู่ฆ่าแกก็เลยเครียดก็เลยฆ่าตัวตายเลยแต่ไม่ตาย ลูกสาวช่วยไม่ได้ทันตอนหลังทันแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์แกที่โรงพยาบาลนะแกก็พูดประโยคนึงว่าตอนเป็นพ่อค้าหาเบเร่ตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ําเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนที่ได้ถูกลอตเตอรี่ะบางคนได้โชคได้ลามากกว่านี้นะสองเท่านะสี่สิบหกล้านบาทเมื่อประมาณตั้งสองปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่ประมาณเดือนพฤศจิกี ป, ปีห้าสี่หรือไงเนี่ยห้าห้า กว่าไม่กี่เดือนต่อมาก็เป็นข่าวนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุตายทั้งตายทั้งสองคนเลยทั้งผัวเมียอย่างนี้จะเรียกว่าโชคดีไหมถูกลอตเตอรี่สี่สบกล้านบาทแล้วไม่กี่เดือนต่อมาก็ตายเราคงไม่เรียกว่าเขาโชคดีแน่ไอตอนถูกก็โชคดีนะแต่ว่าพอตายไปมันไม่ใช่แล้วฉะนั้นการที่ ไม่ถูกลอตเตอรี่นี่ก็อย่าไปเสียใจเลยนะเพราะว่าที่เราได้มาประทับจิตในใจเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือผลแห่งคำสอนผลแห่งการปฏิบัติเช่นความมีสติความรู้สึกตัวความรู้จักปล่อยวางเพราะว่าอันนี้แหละที่มันจะทำให้คนเราก้าวข้ามความทุกข์เลื้อพ้อนจากความทุกข์ได้นะ ถูัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบใบก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขมากขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะพูดจากพูดจากาการสํารวจการสํารวจฝรั่งก็ทําสํารวจคนที่ถูกรัตเตอรี่ทั้งสลากกินแบ่งสลากกินรวบในอเมริกาประมาณพันคนก็พราะก้าสิบเปอร์เซต์เนี่ยจะมีความสุขดีใจนะ ไม่เกินหกเดือนนะความสุขความดีใจมันจะมีอายุได้แค่หกเดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมารู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับตอนก่อนถูรัตเตอรี่นะงนั้นความสุขที่ได้จากโชคลาภจากรัตเตอรี่นี่มันชั่วคราวมากแต่ความสุขที่เราได้รับจากคําสอนของหลวงพ่อและนําไปปฏิบัติเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนกว่านะดั้ใครที่บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อนี่ไม่โปรดเลยนะอนะาหลวงพ่อ ไปทั้งทีไม่ให้ช่วยให้ลูกได้ถูกลอตเตอรี่เลยนี่นะควรจะมองในแง่นี้ว่าเนี่ยท่านสอนเรานะเพราะถ้าเกิดเราถูกขึ้นมาสองสามก็ดีเจ็ดเจ็ดแปดก็ดีสี่หก็ดีนะคนจะรุ่มหลงมากขึ้นนะแทนที่มาสนใจคำสอนก็ไปสนใจความความศักดิ์สิทธิ์นะ ของหลวงพ่อแต่ที่จริงหลวงพ่อนี่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มานะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่เคยแสดงความแสดงเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารหรือทาให้เรารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วก็ท่านไม่สอนด้วยคนที่จะได้รับการพรมน้ำมนต์จากท่านนี่ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าท่านทำน้อยมากแทบจะไม่ค่อยเห็นท่านพรมน้ามนต์เลย ท่านเล่าว่าก็เคยมีนะตอนสมัยที่อยู่ท่ามาไฟมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นถูกชาวบ้านถูกขับไล่เพราะเป็นผีปอบตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นด้วยซ้ำนะท่านก็รับมาอยู่วัดก็ให้ถือศีลเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับว่าผีเข้าก็ ข, าขอหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยหลวงพ่อก็ทําอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะแต่ว่าเรื่องโดยทั่วไปแล้วท่านไม่ทําเลยนะเพราะาทํานไม่อยากให้คนมารุ่มหลงกับเรื่องเรื่องแบบนี้ ท่านที่แต่ก่อนนี้ท่านเป็นหมอธรรมเคยพาคนลุ่มหลงมาแล้วและตัวท่านก็ลุ่มหลงเองนะเป็นหมอธรรมนี่ท่านก็ไล่ผีนะทำคลอดหรือว่ า, ารักษาคนที่เจ็บป่วยด้วยด้วยน้ำมนต์น้ําหมากนะได้สายศินของหายท่านก็นั่งทางในนะช่วยเขาหาจนเจอแต่พอท่านมาปฏิบัติการหลวงพ่อเทียนท่านเลิกหมดเลย ท่านบอกว่ามันจืดหมดเลยนะไอส้สายสานนี่มันจืดหมดเลยแล้วท่านก็กลับเป็นพระที่ไม่มีกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารเลยาไม่มีการที่จะมาบอกให้เราตื่นทําให้เราตกใจตื่นเต้ น, ตนว่าท่านนั่งทางในอย่างวารจิตคนได้ไม่มีเลยทั้งที่นี่ท่านก็เคยทําเรื่องพวกนี้มาอย่างโชคโชนตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสบแปดจนถึงสาสิบเนี่ย แต่พอบวชแล้วท่านพบว่าสิ่งที่ประเสริฐมันสิ่งได้พบสิ่งที่ประเสริฐกว่า น, นั้นมากนะก็คือพระธรรมสัจธรรมนะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนี่ท่านพบว่ามันวิเศษมากท่านทิ้งหมดเลยถ้าท่านมาเอาดีทางนี้นะหรือว่ามีกลิ่นอายทางนี้บ้างก็คงจะเป็นพระรวยแต่ว่าท่านก็พูดว่าเนี่ยท่านเป็นพระจนนะ จัดงานศพก็ให้จัดแบบพระชนนะอย่าฟุม่มเฟือยนั่นก็ดีแล้วนะที่ใครก็ตามที่ไปซื้อหวยนะถึงไม่ซื้อถึงไม่บอกก็รู้นะใครบ้างเนี่ยนะไม่บอกก็รู้นะก็ให้รู้ว่าเนี่ยท่านสอนเรานะอย่าไปเสียใจว่าหลวงพ่อไม่ให้อะไรเราเลยนะหลวงพ่อให้มาต้องเยอะแล้วที่จริงแล้วก็เนี่ยท่านก็กําลังจะสอนเราว่าอย่าไปรุ่มลงกับมันนะ เกิดถูกขึ้นมาเกิดเลขท้ายสองสามนี่หรือเจ็ดแปดขึ้นมาโอยลูกศิลุกศิลฐาก็คงจะลุ่มหลงไปหลงว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิธ์มีธิริปัติหานก็จะยิ่งไกลาจากหลักธรรมคาสอนท่านมากขึ้นงาที่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อไปแล้วก็เสียเงินไปก็ก็เรียกว่าสมควรแล้วนะเพราะว่าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นให้รู้ว่าอ่าอย่าไปฝากความหวังไว้กับสิ่งนั้นนะฝากวาความหวังไว้กับพระธรรมคําสอนดีกว่า อันนี้ก็คือคำสอนที่ท่านฝากไว้นะให้กับเรานะันึงในวันออกลอตเตอรี่น ะ, ะก็เตรียมรับพรได้